6. การรู้แจ้งอริยสัจคือการรู้ทุกจนละสมุทัยแจ้งนิโรธแล ะ, จะเจริญมรรคในขณะเดียวกันวงเล็บเปิด5เมษายน2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดพวกเรามีวิ ช, ชาหรือมีอวิ ช, ชานึกออกไหมเรารู้ทุกจริงไหมถ้ารู้ทุกจริงเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้ารู้ทุกไม่จริงเราจะรู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง จิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพวกเรารู้สึกอย่างหลังนี่ใช่ไหมกลายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นแจ้งว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเมื่อมันยังมีทางเลือกนะมันยังมีทุกข์ก็ได้สุขก็ได้จิตจะไม่หมดความดิ้นรนหรอกจิตจะดิ้นหาความสุขเรื่อยๆไปจิตจะดิ้นหนีความทุกข์เรื่อยๆไป แต่ถ้าปัญญาแก่รอบจริงๆนะกายนี้ทุกลุ้นๆจิตนี้ทุกลุ้นๆมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยไม่มีไม่ทุกมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยจิตมันจะหมดความอะไราวา์ในกายในใจนี้เมื่อหมดความอะไราวา์หมดความรักใคร่หมดความยึดถือในกายในใจนี้ความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นทุก ความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็เป็นอันละสมุ ท, ทยัยสมุทเฉ ท, ทปหานเลยละแล้วละเลยไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนาถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เราจะงงๆกับคําสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอริยสัจเราจะรู้สึกว่าท่านน่าจะสอนเอาสมุทัยขึ้นก่อนนะให้ละสมุทัยสิถ้ามีสมุทัยขึ้นมาแล้วก็มีทุกข์ ฉะนั้นควรจะสอนสมุทยัยทุกมรรคแล้วก็นิโรธควรจะสอนอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าไปสอนทุกข์ก่อนสมุทยัยสอนนิโรธก่อนมรรคทำไมสมุทัยอยู่ก่อนนิโรธก่อนมรรคทำไมนิโรธอยู่ก่อนมรรคท่านสอนดีท่านสอนอย่างท่านผู้หลุดพ้นแล้วมองมาคนละมุมกับพวกเรามองพวกเรามองธรรมะได้ตื้นๆพวกเราเห็นว่าถ้าใจมีความอยากใจมีความยึดใจจะมีความทุกข์รู้สึกอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าใจไม่มีความอยากใจไม่มีความยดึดใจจะไม่มีความทุกขเห็นไหมใจยังมีสองอันคือใจที่ทุก์กับใจที่ไม่ทุก์นี่แหละเรายังไม่รู้แจ้งเพราะเมื่อไหร่ใจเรามีความอยากขึ้นมาแล้วเราดับความอยากได้เราก็พ้นทุกพอมีความอยากแล้วยังดำรงอยู่ก็รู้สึกทุกจิตเลยมีสองชนิดจิตที่ทุกขกับจิตที่ไม่ทุกขจิตที่อยากนั้นมันทุก์จิตที่ไม่อยากมันไม่ทุกข์ไม่เรียกว่าเห็นแจ้งอริยสัจ เราจะละความอยากได้เป็นคราวๆเดี๋ยวก็เกิดใหม่เพราะอาวิชชายังอยู่รากเง้ายังอยู่เรายังเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษกายนี้ใจนี้ยังมีทางพ้นจากความทุกข์ยังหาความสุขได้อยู่มันจะดิ้นไม่เลิกสมุทัยจะเกิดขึ้นอีกเพราะการละสมุทัยของผู้ปฏิบัติที่เรายังไม่ถึงขีดสุดไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่มันจะละเป็นคราวๆละเป็นครั้งๆ เช่นเห็นความอยากเกิดขึ้นพอสติรู้ทันความอยากก็ดับไปเราก็รู้สึกพ้นทุกไปทีหนึ่งมีความสุขแล้วนะจะไม่เหมือนท่านที่เห็นแจ้งอริยศาสตร์ถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกขก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกแจมแจ้งเมื่อนั้นละสมุทัยอัตโนมัติแล้วละเป็นสมุเทเฉถปหานไม่เกิดขึ้นอีกเห็นไหม งดงามมากเลยธรรมะของท่านท่านเริ่มด้วยทุกข์แล้วท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้การรู้ทุกข์ยังไม่ใช่อริยมรรคจำไว้นะเป็นแค่การเจริญเบื้องต้นแห่งมรรคเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดบุพภภาคมรรคปิดเครื่องหมายคำพูดการรู้ทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดวิปัสสนากรรมฐ า, านปิดเครื่องหมายคำพูดการรู้ทุกข์ก็คือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงยังเป็นการดําเนินเบื้องต้นเพื่อให้เกิดอริยมรรค ยังไม่ใช่ตัวมร์เพราะฉะนั้นท่านเลยไม่เริ่มต้นด้วยมร์เห็นไหมท่านเริ่มต้นด้วยทุกข์แล้วท่านบอกว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือรูปกับนามกายกับใจให้ทําอย่างไรกับทุกข์ให้รู้ทุกข์กิจต่อทุกข์คือการรู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะรู้กายรู้ใจไปอย่าไปทําสิ่งอื่นต้องรู้กายรู้ใจอย่าลืมกายลืมใจอย่าเพ่งกายเพ่งใจการรู้กายรู้ใจนั้นไม่ใช่ลืมกายลืมใจหลงกิเลสหลงตามโลกไป เรียกเครื่องหมายคำพูดเปิดการมาสุขาริการนุโยคปิดเครื่องหมายคำพูดการรู้กายรู้ใจการรู้ทุกไม่ใช่การเพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจเป็นการบังคับกายบังคับใจให้ลำบากเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดอัตตกิลมัฏฐานุโยกปิดเครื่องหมายคำพูดสองสิ่งนี้ห้ามไม่ลืมกายลืมใจไม่เพ่งกายเพ่งใจแต่ให้รู้กายรู้ใจเพราะพระพุทธเจ้าสอนบอกทุกให้รู้ งานต่อทุกคือการรู้เรียกว่าปริญญากิตให้รู้รู้ลูกเดียวรู้อย่างที่มันเป็นรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยเรื่อรู้ไปจนวันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงว่ากายนี้ทุกลุ้นล้ว น, วนจิตนี้ทุกลุ้นล้ว น, วนจิตมันจะสลัดคืนนะมันจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจเมื่อมันไม่ยึดถือกายยึดถือใจสมุทัยคือตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกนี่เรียกว่าละสมุทยัย ฉะนั้นเราละสมุทัยด้วยอะไรละด้วยการรู้ทุกข์นะถึงได้ละสมุทัยไม่ใช่ละด้วยสมาธิไม่ได้ละด้วยสติไม่ได้ละด้วยสิ่งอื่นเลยแต่ละด้วยการรู้ทุกข์แจ่มแจ้งบางคนก็ละความอยากด้วยสมถะเพราะความอยากเกิดขึ้นมาก็อยากน้ออยากหนอการบริกรรมนี้เป็นสมถะละได้ชั่วคราวบางคนละด้วยการเจริญวิปัสสนาเห็นความอยากเกิดขึ้นมีสติรู้ทันความอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป อันนี้ก็ดับชั่วคราวแต่ถ้าเมื่อใดเห็นทุกข์แจ่มแจ้งมันจะไม่เกิดสมุทัยอีกเพราะฉะนั้นคําว่าละสมุทยัยเมื่อถึงขีดสุดแปลว่าสมุทัยไม่เกิดขึ้นอีกจําไว้นะไม่เหมือนกันไม่ใช่เกิดเป็นคราวๆละเป็นคราวๆเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกนี่เรียกรู้ทุกข์แล้วละสมุทยัยทันทีที่สมุทัยถูกละอะไรจะเกิดขึ้นจิตจะแจ้งนิโรธทันทีจะเห็นนิพพานทันที เพราะนิพพานคืออะไรนิพพานคือความสิ้นตัณหาใช่ไหมเพราะตัณหาดับปับ๊บนิพพานก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นเลยฉะนั้นถ้าเมื่อใดรู้ทุกจนแจ่มแจ้งก็เกิดการละสมุ ท, ทยัยเกิดการแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานในขณะเดียวกันนั้นเลยในขณะที่รู้ทุกจนละสมุ ท, ทยัยแจ้งพระนิพพานขณะนั้นแหละเรียกว่ามรรคเพราะฉะนั้นเวลามรรคเกิดนะเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นเองอริยมรรคเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นเอง พวกเรามีชีวิตอันยืนยาวในสังสารวัตรนะจิตของเรานี่เกิดดับตลอดเลยเป็นขณะขณะขณะขณะตลอดเวลายาวนานมากเลยแต่ตลอดสังสารวัตรเรามีโอกาสที่จะเกิดอริยมรรคทั้งหมด4ขณะจิตเท่านั้นเองไม่มีหขณะนะถ้าสี่ขณะถึงพระอาหารหันต์แล้วไม่มีต่อไปอีกแล้วฉะนั้นมันเร็วมากนะใช้เวลานิดเดียวแล้วก็เฉียบคมมากเลยรู้ทุกเมื่อใดก็ละสมุทยัยแจ้งนิโรธ การที่รู้ทุกจนละสมุทยัยจนแจ้งนิโรธอันนั้นแหละคือมรรคฉะนั้นถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งก็ละสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดมรรคขึ้นมาจเจริญมรรคขึ้นมามรรคเกิดขึ้นมาเรียกจเจริญขึ้นมาพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายจะเห็นแค่นี้พระพุทธเจ้าเห็นมากกว่านี้อีกสุดสติสุดปัญญาที่จะมองตามเลยนะคราวหนึ่งมีพระชื่อพระขวัมปติคนไทยชอบปั้นรูปพระขวัมปติเป็นพระปิดตาที่จริงถ้าลืมตานะ ให้ท่านปิดตาท่านก็เดินชนเสาเท่านั้นสิสมัยหนึ่งนี่ท่านพระควัมปติอยู่กันตามลําพังกับพระอรหันด้วยกันตอนนั้นไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าเช้าขึ้นมาพระอรหัน์ทั้งหลายท่านไปบินธบาดบินธบาดกลับมาฉันนะเสร็จแล้วท่านก็มาสนทนาธรรมกันทําไมท่านไม่รีบแยกย้ายไปภาวนาท่านภาวนาเสร็จแล้วจะภาวนาตอนไหนก็ได้พวกเราอย่าเอาอย่างนะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของท่านห้ามเอาอย่างของเรามีเวลาแล้วรีบภาวนา ไม่ใช่มีเวลาแล้วนั่งคุยของท่านพระบินทบาตเสร็จฉันเสร็จท่านก็นั่งคุยกันพวกพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็เสนอบอกว่านี่ผมเห็นแจ้งเลยถ้ารู้ทุกก็ละสมุทยัยแจ้งนิโรธจเจริญมรรคในขณะเดียวกันนั่นแหละนี่ทุกองค์ลงมติเหมือนกันหมดนะเห็นได้เท่านี้ท่านพระความปติบอกว่าท่านผู้จเจริญผมได้ยินพระพุทธเจ้าสอนมาด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าถ้ารู้ทุกก็เป็นอันละสมุทยัยแจ้งนิโรธจเจริญมรรค ถ้าลสมุทัยก็เป็นอันรู้ทุกข์แจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าแจ้งนิโรธก็เป็นอันรู้ทุกข์ละสมุทัยเจริญมรรคถ้าเจริญมรรควงเล็บเปิดหมายถึงเกิดอริยมรรควงเล็บปิดก็เป็นอันรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธท่านมองได้สี่มุมเลยเกินภูมิที่พระอรหันตสาวกทั่วๆไปจะเห็นได้พระอรหันตสาวกจะเห็นได้แค่ว่าถ้ารู้ทุกข์มันละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เกิดอริยมรรคในขณะเดียวกัน ท่านมองได้มุมโน้นมุมนี้มุมโน้นมุมนี้พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ทราบซึ้งถึงอกถึงใจว่าโอ้เด็ดขาดธรรมะของท่านเด็ดขาดจริงๆเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกความเข้าใจมันไม่เท่ากันเห็นไหมแต่ความบริสุทธิ์มันเท่ากันเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดว่าทําอย่างไระะมักจะเกิดไม่ต้องคิดว่าทําอย่างไรจะละสมุทัยไม่ต้องคิดว่าทําอย่างไรจะแจ้งนิโรธพวกเรามีหน้าที่ง่ายๆเลยนะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไว้ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าการทําวิปัสสนากรรมฐานต้องรู้กายต้องรู้ใจนะต้องมีสติสติที่แท้จริงคือความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดถ้าใครแปลสติว่ากําหนดแปลผิดนะแล้วผิดจากตัวสภาวะด้วยกําหนดเป็นการเพ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเพ่งไว้อะไรจะเกิดก็เกิดฌานถ้าเพ่งร่างกายมากๆเช่นเพ่งลมหายใจ เพ่งท้องพองยุบจะได้รูปประชานถ้ารูปประชานที่สี่แล้วจิตไม่สนใจจิตจิตจะดับลงไปเป็นพรมลูกฟักที่นั่งตัวแข็งๆหมดสติหมดความรู้สึกตัวแล้วก็คิดว่าบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะไม่มีกายไม่มีใจเข้าใจผิดสิ้นเชิงเลยในขณะที่บรรลุมรรคผลมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตมีจิตชื่อมรรคจิตมีเจตสิกประกอบกับจิตดวงนี้อีก30กว่าดวงบางคนก็มีรูปอยู่ บางคนขณะนั้นก็ไม่มีรูปนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจิตดับวูบหมดความรู้สึกก็บรรลุมากผลนี่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยไปเป็นพรมลูกฟักหลังๆนี่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่มีไม่มากหรอกมีแต่พวกเครียดเครียดซะมากกว่ากำหนดมากๆแล้วก็เครียดใช้ไม่ได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติแปลว่าความระลึกได้สตินี่แหละเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากเครื่องหมายคาพูดเปิด ทิรสัญญาปิดเครื่องหมายคำพูดทิรสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติอภิธรรมสอนชัดเจนเลยสติไม่ได้แปลว่ากําหนดพอมีสติต้องมีสติตัวจริงวิธีจะให้เกิดสติตัวจริงก็คือต้องหัดรู้สภาวะโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หลงขึ้นมาก็รู้เป็นสุข ก, ก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยเฉยก็รู้หายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกอยู่ รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเดี๋ยวสติจะเกิดเองอย่าไปกำหนดอย่าไปเพ่งถ้าเพ่งแล้วจะกลายเป็นสมถะถ้าสติตัวจริงเกิดสติจะระลึกรู้กายระลึกรู้ใจอย่าน้อมสติไประลึกรู้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากกายจากใจเช่นน้อมไปหาความว่างความไม่มีอะไรเลยหรือน้อมไปเพ่งจิตไว้เฉยๆอันนั้นจะเข้าไปสู่อรูปฌานดังนั้นให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ ถ้าเราดูกายดูใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิตัวนี้แหละคือเงื่อนไขที่จะให้เห็นไตรลักษณ์คือตัวสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่จิตที่ไหลไปนิ่งอยู่กับอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เราต้องมีสติเป็นตัวระลึกรู้รูปรู้นามที่กำลังปรากฏอยู่ด้วยใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่นี่ถึงจะเห็นความจริงของกายของใจ คนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้ที่จิตตั้งมั่นขึ้นมามีสติสามารถเห็นได้แล้วว่ากายไม่ใช่เรานี่จำนวนนับไม่ถ้วนแล้วคนที่เห็นอย่างนี้มีจำนวนมากต่อไปดูไปเรื่อยจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราถ้าเห็นกายเห็นจิตไม่ใช่เราจะได้โสดาบันอริยมรรคจะเกิดกระบวนการแห่งการเกิดอริยมรรคทั้งหมดใช้เวลาเจขณะจิตเท่านั้นฉะนั้นให้เรามีสตินะสติอย่าบังคับให้เกิดสติเป็นความระลึกหัดระลึกรู้ หัดรู้กายหัดรู้ใจดูมันไปเรื่อยๆแล้วสติมันจะเกิดเองหลายคนภาวนามาเรื่อยๆหัดดูมาเรื่อยวันหนึ่งกำลังแปลงฟันอยู่ปับป๊บปั๊ป๊อุ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเราเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจมันอยู่ตังหากไม่คิดไม่นึกแต่รู้สึกมีความรู้สึกไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกหรือนอนอยู่พลิกซ้ายพลิกขวาเห็นตัวที่นอนอยู่ไม่ใช่เราแล้วเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวอ ย, อยู่ หรืออาบน้ำถู ค, คลิ้ใครถูสบู่อยู่ถูถูไปตัวที่สัมผัสนี้มันไม่ใช่เราขึ้นมาแล้วเป็นแท่งเป็นก้อนาธาตุขึ้นมาไม่ใช่เราหรอกเห็นไหมถ้าใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสติระลึกรู้ลงไปจะเห็นทันทีเลยตัวเราไม่มีบางคนก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าจิตก็ไม่มีเราความเป็นเราเกิดดับเป็นขณะขณะนี่เฝ้ารู้ลงไปรู้กายรู้ใจรู้ลงไปด้วยใจที่ตั้งมั่นมันจะเห็นกายเห็นใจนี้ไม่มีเราหรอก ถ้าเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราแจ่มแจ้งนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเกิดอริยมรรคขึ้นเกิดในขณะเดียวในขณะนั้นรู้ทุกแจ่มแจ้งเลยในขณะนั้นละสมุ ท, ทยัยในขณะนั้นแจ้งพระนิพพานเลยเกิดอริยมรรคขึ้นเวลาเกิดอริยมรรคแล้วกิเลสใดที่ละแล้วก็ละเลยไม่มีขึ้นมาอีกต่อไปแล้วถ้าถึงครั้งที่สี่จะหมดความยึดถือในจิตจะสลัดคืนจิตให้โลก ไม่มีกิเลสอะไรที่จะยอมจิตได้อีกแล้วเพราะไม่มีจิตจะให้ยอมมีแต่อะไรมีแต่ในเครื่องหมายคำพูดธาตุรู้อยู่อันหนึ่งธาตุรู้ซึ่งไม่มีเจ้าของพระอระหันต์ไม่ได้รู้สึกว่าธาตุรู้เป็นตัวเราเลยไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออะไรเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดธรรมธาตุก็ได้